เราดูมเรอยๆก็ทราบว่มนะทำให้ิดไปได้แต่มนกเสีรงขึ้นไอ้ตรงนี้เรียว่าเป็นวิปัสนาปปอเป็นวิปัสนานี่ยวิปัสนาเป็นวิปัสนาปัญญาที่เราเห็นความจริงว่ามันคนอยู่ไม่ได้เห็นทุกขังมันก็เหมนที่ที่นไม่อยสะสมได้ ใจเราต้องสบายด้วยนะอ่ อ, อนโยนรุ่มนวลนอย่าให้ใจทื่อๆไปนั้งจอจ้องไว้ใจต้องสักวารู้สักวว่าดูห่างๆดูอย่างสบายๆมืมมันไม่มีความรู้สึไม่หม่ไ<ห>มมปบังคับก็เห็นเลขเสร็จก็มันก็เห ม, มือนกับเห็นช่างเห็นงาเห็นช่าๆเห็นแล้วเป็นอีกหลงู่มันม่นบอกเหมือนทำนา ก็ทําอยู่ที่เดิมนี่แหละทุกปีทุกปีเวลาเราดูกายดูใจก็ดูอยู่อย่างนี้ไม่ต้องอยู่ด้านนี้ทำด้านนี้ด้านนี้สุขไม่เร็วเหมือนเป็นพ่อขาพ่อข้ามันก็มองเฉพาะหน้าไม่ไปด้วยซ้ำแลกวซ้ําอีกหนูคือใจเรามันลื่นใจเราเองปฏิเสธธรรมะเราอยากให้มันมีตัวตนหรือเราอยากให้มันเที่ยงอยากให้มันสุข นื่พอธรรมะแสดงตัวให้ดูใจมจะค่อยฝืนค่อยขึ้นค่อยปฏิเสธมันต้องดูแล้วดูอีกจนใจยอมรับมันไม่ใช่เรายอมรับนะใจยอมรับถ้าใจยอมรับก็ก็ถึงนุนโลมใช่นุ่นโลมถ้านุ่นโลมเกิดเมื่อไหร่โอตปูว่าต่อละยังที่ท่านบงกว่าจิตจะโผล่เข้ามาไม่ใช่ควยงยืนที่อยู่ในใจใช่เลยมันทิ้ง อารมณ์โลกียในขณะเดียวกันก็จับอารมณ์ของโลตุกรัไม่ได้จับได้ไม่มั่นแล้วก็ถ้าเป็นสหลังดังนั้นก็ที่หอมันจะตงกตะวันที่สองหรือสา ม, สมสขนาดเราไ ม, ม่ใช่ตกตะวันจิตจะไปเห็นนิพพาน2อสามขนาดระเห็นนิพพานสองสามขนาดแล้วถงจตกตะวันอใสยตกระ ว, วังนี้มันเป็นการตัดตัดกระแสของอัปปนาสมาธิ ตรงนั้นเป็นผล้วเป็นผลนะตรงที่สองสามขนาดนี่ยเป็นผลคือตรงที่โคตรภูยามควรกระแสเข้าหาภาพรู้ตรงมรรคยามเนี่ยมันแหวกสิ่งที่ห่อคุ้มออกประหารสัญญอดังนี้แหวกขาดแต่ถ้าเป็นธาตุเสาดนี่มันจะเกิดปิดที่ไหนอะไรนะแตถ้าเป็นธาตเสรีขาดนีเพอพอมันขาดเนี่ยแล้วมันจะอยู่ได้สองขนาดสามขนางงี้ที่เห็นนิพพานสองามขนา เสร็แล้วก็ปิดปิดลงระวังน่าจะไปตาม้ว่าน่าจะมาแนเกียนาถ้าจะเวรกขน้มันจะเกิดอยู่ตอนโลกข้างนอกนี้มันจะมาทวนว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นในขั้นสุดว่าอยงท่านขั้นศรีษท่านขั้นกลาท่านขั้นบะกับาก็ให้รู้รูปนามไปเพราะว่ายังไม่แม่นในนิพพานรู้รูปนามมากๆนะ ึค่อยๆสังเกตในรูปนามว่างเปล่าจากความเป็นตัวเป็นคนค่อยๆเพิกออกมันเพิกออมาเอ้แต่ว่าจิตไม่ขยับตรงนี้นเลยนะถ้าขยับจิตสักนิดเดียวมันจะแปลงอื่นตรงนิานจะเป็นที่สมัยก่อนแต่ตอที่ ท, ท่านสอนอยู่ที่นช่แต่พอเห็นสี่ครั้งจิตมันจะแม่นขึ้นแต่ลําทางการเห็นนิทานในขณะเกิดมากเกิดข้นนี่มันน้อย แต่และครั้งแต่และชั้นนึเห็นสองสามขนาดเองเห็นเป็นเ่นก็ไม่เม่นความเม่นยามมันมาจากทีหลังมาจากการปัจเวกกันนะมันเป็นการทบควนแล้วถ้าทบควนอยู่เรื่อยๆนะมันก็จะแม่นส่วนอยู่เรื่อยๆอย่อยงคนกำเกรงจะทำฌานนี่ไม่ใช่ยากอะไรนะแค่ควอมใจสักทีหนึ่งเข้าได้แล้ว ในตอนที่ฝนตกอารมณ์กับฝนตอารมณนาสงสารนิดนึที่ตกฝนมายัาแล้วก็ันบว่ามันยังไม่ตกที่อก้ที่พีมาหาใช่มันเห็นดีที่สุเดียพระวิตกเลยนะ่ก็แครมันเหมือนว่ามันยังมสมางมียูมันเหมืมันค้างเหมือนไอ้อย เนี่ยการที่ทําฌานนะเหมือนได้เอโกทิภาวะออกบบาออกจากฌานแล้วเอโกทิภาวะยังส่งไปได้อีกช่วงตรงนี้แหละที่เป็นนาทีทองนี่ถ้ามันถึงอภินาเนี่ยมันส่งอยู่ได้เป็นวันวันอารมณ์ที่ค้างออกมาเหะะมือนรถยนต์มันดึกวิ่งไปแล้วะแต่มันยังเคลื่อนที่ไปด้วยโมเมนตัมมันยังสูงเรื่องนิพพส น, น ไ, มมไม่ได้ไปทําในฌานยกเวน้นยกเวน้เวนพวกลม พิชนา น, นการดูจิตพวกอรูปปรมโดยปกติพวกอรูปนี่ทำวิปัสสนาไม่ได้แต่ถ้าเป็นพระอริยะบุคคลี่ชํานในการดูจิตดูใจแล้วทเข้าวรูปไปดูต่อได้ยกเลิกแต่สุดท้ายก็ไม่ดูเลยแต่สุดท้ายก็ดูได้นี่เป็นเรื่องประหลาดเป็นข้อยกเลิกในําราพิธรรมนี่ ในอภ your ิธรรมดีนะเขียนเอาไว้ได้ยิ่งจิตบัรจงดปลอดสภาวะได้ดีแต่ตัวรูปตัวรูปจะมีปัญหาเนี้ยเขาพยายามเขียนแต่ในด้านจิตใจแล้วเก่งจริงจรมันให่สภาวะไว้ดีจิตวันนี้เป็นไงจิตนํำเกิืจิตมีโมหะหน่ยหนึ่งโดออกไหมจิตมีโมหะนะ มันไม่ไม่เต็มที่เท่าเมื่อวานหลวเลยมันฟุง้งมันฟุงฟ้งในธรรมะมันบางอ่อนละ้ะรู้ว่าการเดินเนี่ยหน้าช่าดีแล้วก็ม่นคง าชาเคียงใหม่รับนี้ดีทุกคนเลย <c oughs> ไม่ทำอะไร <c oughs> รู้ลูกเดียวไม่ทำอะไรต่อคืนไม่ทำกิหลงเลยเ่อาได่ปะยชน์ทองเลยคอม่อวานเลยรู้ใจรมันเป็นอีงประโยชน์ทองคือคนที่งพอเขาช่วยมาแต่บางเรไม่เข้า ดีวิชช่วก็เพื่อแสดงนะคะให้เห็งก็ไมต่างอะไรที่นักธรรมที่ตืจากระการนี่นะที่ต้องไม่ต่างชั่วมากที่ต้อรู้มากที่ต้องคือไม่ให้ขารู้เันอย่างที่มันเป็นคือจเห็นีรอรูะไปกาย วันนี้ดีกว่าเมื่อวานอีกขอบคุณด้ำเกลืวันนี้ตกกว่าเมื่อวานนิดหนึ่งคุณบางอนอะ่ะเทียบกับเมื่อวานเป็นเลยใช่ปรบปรุงใช้ได้รู้สภาวะของเราเองแล้วถูกต้องนะก็ถูกต้องเกาใช้ได้แล้วสภาวะนั่นแหละจะแสดงใจรักให้ดูตลอดเดวลาไม่ใช่นไม่ต้องตกอกตกใจดีบ้างร้ายบ้างก็ดีตลอดแล้วมีปัญหาเหมือนไม่ใช่ของจริง อะไรมันจะเที่ยงไม่มีแค่ท <made> ั <están> like ้งจ <ces> ิตข้างหลังยังไม่เที่ยงเลยเป็นปริยาจิตนะปริยาจิตมีทั้งหลายแบบเนี่ยปริยาจิตยังมีทั้งแปดแบบเนี่ยแต่ละดวงแต่ละดวงแล้ก็เกิดดับผันแปรมีอะไรเล็กมันยึดติดกัน เขาไม่ได้เตี้ยตลอด่พอใจกเจแกใจนนมไม่อก็ลอเลยไม่มีเตียงหรอกเรไม่มีเียจัเนี่ยเด็กก็อลกย แเมตตาเนี่ยที <S <S <S <S ่ือทำมากอะเกที่ถือที่ถือถือือถึงระดัา้อันนี้เี่ยถ้าสมมติมาพูดที่อจริงๆแล้วจะทอะนรคืออ่ไรอ๋อคือถ้าแผ่งเมตตาไปโดยปกติเนี่ยจะไปอารูปแบบผลไปเจอรูปแบบแต่ถ้าเราแผ่งเมตตาแล้วเราก็รู้ทันจิตใจไปเรื่อยนะ เราเห็น okay, จิตใจที่เปลี่ยนแปลงจิตใจที่เคลื่อนไหวทํางานเรียนรู้จิตไปได้ไปได้เรื่อยๆไปได้ถึงขั้นสังขารแต่มันยังไม่จริงมันยังไม่จริงตัวสุดท้ายมันจะไม่ไม่มาเจริญเมตตาไม่เจริญอะไรแล้วนะจะเรียนรู้ตัวจิตจริงๆแลว้วก่อนหน้ายังเรียนรู้จิตตสังขารได้ตัวสุดท้ายมันจะมาตะลุยตรลุมบอลเอาที่ตัวจิตล้วนๆนิด ท้องรู้ยู่นะไม่รู้าว่้อดอ่ระแต่้วมันนแล้ว้ี่นว่าจูดคือไม่ได้เห็น่าตลอดเี่มันใส่ประกที่มีฟองนั้นไม่ใก็ไม่รู้ฟองไม่จับก็ไม่มาแค่ดีนะแค่คลที่นี่จริงมันนิดเดียวเต้นผมบางภูเขาหนิดเ คือมาเห็นมาปรกับคนกับมันจริงนะดูในใจเราต่างกันนิดเดียวแต่ถ้าแจกแจงรายละเอียดมันจะต่างเยอะเลยเริ่มตั้งแต่ทำไมประคองเหตุผที่ประคองก็คืออยากดีอยากปฏิบัติอยากดีอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้โลกะมันนำหน้าภาวะแห่งการระลรู้เนี่ย ไม่มีกิเลสนำหน้ามารึกขึ้นมาเพรามันจําสภาวะได้ไม่ได้จงใจประทองไว้กําหนดไว้มีความจงใจเพราะงั้นเป็นการกระทํากรรมทากับปัจจุบันทาใหม่ขณะที่การรื้อเนื้อรูปรนามมันทํางานไปไม่ใช่เราทํางานที่เราทําคือการตามรู้การประทอลเรื่องงานที่เราทําก็คือใจเข้าไปจัดการเราเป็นคนทา การตามรู้เนี่ยรูปนามมันเป็นคนทําเราเป็นแค่คนดูเพรฉเรากําหนดเมื่อไหร่ประทองเมื่อไหร่ก็คือเราทําองคนที่ออกมาก็ไม่เหมือนกันก็มีกิเลสมีการกระทํากรรมก็มีวิ่ปากเน่นๆชื่ๆอๆเราแค่สร้างครบขึ้นนึงสร้างครบขึ้นอนึงแล้วเราก็ค้างคาอยู่ในคบอันนั้นเราคิดว่าอยู่ตรงนี้นานๆแล้ววันหนึ่งเราจะได้มากผลที่ผา ในขณะที่การอารืรู้ได้รู้โลกปัจจุบันนันไม่ได้คิดว่ามันจะได้อะไรอยอ น, นก็ได้แค่รู้ได้แค่เหตุในที่สุดได้ความเข้าใจเข้าใจแล้วมันวางไปในขณะที่อันหนึ่งเนี่ยประคองไว้ได้เรื่อยๆเข้าไปเกาะไว้ไม่วางไม่ยอมวางในขณะที่การอารรู้รู้ระหว่างสภาวะเข้าใจกระจายออกไปโดยละเอียดมันต่างกันเยอะมาก ในความรู้สึกของเราถ้าเรายังไม่ชานาญเรารู้สึกเหมือนซิกซิกอย่างแต่ถ้าเราฝึกมากเข้ามากเข้าเรียนรู้มันต่างกันเหมือนความมืดกับความสว่างเหมือนความสูงของฟ้ากับความลึกของถินไม่เหมือนกันเลยต่างกันเยอะเลยอันหนึ่งเจือด้วยโลภะมั น, นไม่เจืออันหนึ่งเกิดเจตนาเกิดการกระทํากำอันหนึ่งไม่ได้เจตนา ผลที่เกิดขึ้นมาอันหนึง่งเกาะเกี่ยวยึดถือไว้อันหนึ่งปล่อยวางออกไปต่างกันเล็กนะ่ะสติสมาธิปัญญาก็ทำงานต่างกันสตีอันนึง่งลงใจไปกำหนดไม่ใช่สติตรวจแทลเป็นสติที่ปรุงแต่งขึ้นมาสตีอันนึงเกิดแต่จิตจำสภาวะได้แล้วสักว่าอะไรสมาธิอันหนึ่งเข้าไปตั้งแช่ไว้ในตัวอารมณ์ สมาที่อันหนึ่งตั้งมั่นในการรู้อารมไม่เหมือนกันตั้งแช่กับตัวอารมกับตั้งมั่นในการรูญญอ้อารมปัญญาอันหนึ่งเจือเวกันคิดปัญญาอีกอันหนึ่งเป็นแต่การที่เห็นความแปรปรวนไปของสภาวะยึงเราชอบเติมความคิดลงไปชอบกําหนดซ้ำลงไปถ้าแยกแยะสภาว ะ, ะรยายละเอียดก็ต่างกันเยอะทนีเวลาเนความคิดนะคะเราใช้ความคิดมั น, น, นเดลม รรู้เ่ยไปแบบตอ่้ขาเเรืะความิดให้่นไม่ไม่ไไม่อะไจริงมันก็ดับลงไปก็มีความว่างมาขั้แต่เห็นหรือไม่เห็นไม่เป็นไรนะไม่จาเป็นแต่เห็นได้ก็ดีสุขดีในเห็นในจิตดงหนึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีช่องว่างเล็กๆมาขั้นว่าง ถ้าเกิดดวงใหม่ขึ้นมาเ น, นี่ยสันติคือความตื้นเรื่องมันขาดแต่ถึงขนาดที่เราเห็นสันติของจิตดับลงไปความต่อเรื่องขาดเป็นระยะระยะใจก็ยังดื้อรั้นมันอยากให้จิตใจนี้เป็นตัวเราต่อไปให้ได้ดังนั้นต้องดูซ้าแล้วซ้ำอีกซ้าแล้วซ้ำอีกจนวันหมันยอ ม, ยอมกับข้อที่จิตยอมจำนนถ้ายอมจำนนนะเออมันไม่ใช่เราจริงๆเราไม่มีจริงๆ ให้ดูเป็นนะดีแล้วที่ทำเยในนเป็นายมอมาที่านที่มันาเมื่อร้อนสวางก็คือประตูของใจนะเป็นที่รับรู้ธรรมารมเป็นช่องทางที่ธรรมารมไหลเข้ามากระทบกับความรู้สึกของเราื่ออย่าเรียอรนอะย่างนั้เลยนะอย่เหมือนอธิธรรมเอาแค่ว่าเอาง่ายๆเลยนะเมื่อตามองเห็นเนี่ย จมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสอย่ามัวแต่ไปดักความรู้สึกไว้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายไหนคนพอตามองเห็นปุ๊บไปกําหนดอยู่ที่ตาหรือไปกําหนดที่ประสาทตาบางคนไปกําหนดที่รูปที่ไม่เข้ามาไม่ถึงใจเวลาการรู้อารมณ์เนี่ยให้รู้ไปตามธรรมดาธรรมชาติเลยเมื่อตามองเห็นจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสหรือใจมันคิดนึกเนี่ยถ้าหากเกิดความยินดียินร้ายขึ้นมาที่ใจนะ ให้คอรู้ทันความยินดียินรไลที่เกิดที่ใจความยินดียินร้ายไม่ได้เกิดที่ตาที่หูอะไรหรอกมันมเกิดที่ใจยกตัวอย่างสมมติเราเห็นนางงามเดินม า, าเราเห็นปุ๊บใจเรายินดีขึ้นพอใจราคะเกิดให้เรารู้ทันราคะนี่เรียกว่าการทํากรรมฐานทางมโนสวงังคอยรู้ทันความเปลี่ยนแปลงมีสิ่งใดไหลเข้ามาในประตูใจเราคอยรู้ทันไปเรื่อยมยินดีมันยินร้ายอะไรขึ้นมาคอยรูเรื่อยๆ ไปอ่านเรื่องพระโพติละรึเปล่าพระโพธิละเรียนมากไปเลยรู้สึกกรรมฐานนี่กว้างขวางนะจับไม่ถูกไม่รู้จะจับตรงไหนถึงทุกวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นนะหลายคนทำกรรมฐานนะเพราเตามองเห็นไม่กำหนดที่การเห็นตัดจะไม่มีความรู้สึกเข้ามาที่ใจรนะับก็จะรู้สึกดีใจนะว่าไม่มีกิเลสทำไมไม่มีกิเลสเ็กิเลสไม่ได้เกิดที่ตา กิเลสไม่ได้เกิดที่หูกิเลสไม่ได้เกิดที่รูปที่เสียงที่กลิ่งที่รสไม่ได้เกิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายกิเลสมันเกิดที่ใจถ้าหากพอกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วเราไปเพ่งใส่ให้สตินี่นะต่อเข้าไปที่ลงไปที่สวารคทั้งห้ามันจะไม่มีการส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจใจจะไม่มีความยินดียินร้ายอะไรทั้งๆที่กิเลสยังซ่อนอยู่อย่างเต่านะแต่ไม่กระเพิ่มขึ้นมา แต่ถ้าหากตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ใจกระทบความคิดกระทบแล้วมันเกิดยินดียินร้ายกันมาให้เรา่อยรู้อันา น, นี้ฝึกไปอย่างนี้ง่ายๆเราง่ายจริงๆเชื่อหลวพอเลง่ายมากเลยถ้ายากหลวงพ่อก็ทาให้เป็นข้าวขึ้นเมงพอจมาหลางวันขวมีาอะรี้อีตงอยู่ผมว่ามันปาณง อาอเใช่ทีีพอต่นเ้ามานี่ก็แบบปนรตทองนะคือว้คือระ้อมไปเชม่จับเออแล้วจะไปหยิบออกมา่มาคอตรงนั้นถ้าดูไม่ออกนะมันจะไปหยิบขึ้นมาแล้วก็หยิบไปทั้งวันเลยแล้วมันจะไปในะ่างมันก็เป็นไปทั้งวันกระทั่งสภาวะอย่างอื่นนะที่เราเข้าไปติดเราไปแช่กัน มันเริ่มแช่ตั้งแต่ท bedeutet, ันทีที่คิดเรื่องปฏิบัตินี่ถ้าคนไหนขยันาภาวนามากทันทีที่ตื่นนอนสุคิดเรื่องปฏิบัติก่อนไม่คิดเรื่องอื่นก็จะเริ่มไหลเข้าไปช่องเดิมที่เคยชินมันก็ไปค้างหนึ่งนั้นทั้งวันแล้วดูไม่ออกแล ar, ้วมันก็จะเจ้าจะไม่กินกิเลสแต่ถ้มันไปนั่นจมันก็ได้เจ้าตกีจิตแรงแรงไปอย่างนี้กิเลสมันฝักให้วิ่งออกไปตั้งแต่แรกกิเลสมันฝักมีตัณหาพยายามออกไป ก็ไปสร้างก๊กอันหนึ่งแล้วไปนอนแช่อยู่ในกน๊กมันคิดเป็นไงเดี๋ยววันนี้ไไต้องไล่ไปทางนี้ปะ่ะไม่มต้องเลอนเออวันจันสร์ันกนน้อยกว่าเมื่อวานเมื่วานซุงต้านนะ้อยเดี๋เชื่อไปดูจิตคนอื่นนะเออดูจิตของเราเอางอ คือถ้าเราภาวนายังไม่ถึงจิตถึงใจตัวเองอย่างแท้จริงเนะี่ยการที่เราออกไปรู้จิตคนอื่นนะมันจะเหมือนเด็กวิ่งเล่นสซนไปเดี๋ยวกลับบ้านไม่ได้เมื่อตอนมีพวกเด็กเด็กลางทำเยอะเลยเล่นกันชอบไปดูจิตชาวบ้านแต่แล้วดูจิตตัวเองไม่ได้แก้ให้เขาได้หมดเลยนะแก้ตัวเองเอไม่ตกแต่วันนี้ดีแล้วสิรัชหญิง่วงเลย นึกคิดว่าเราหาคินช้าๆมันเป็นเวลาหากินของโมหะและช้ามันซึม ง, ง่ายกลางวันเนเป็นเวลาหากินของโกรธามันกระทบ ก, กระทั่งอารมณ์เยอะค่ำค่เย็นเย็นเนี่เป็นเวลาของราคะมันสบายแล้วเต็มทุระสบายเฟิศเลือดเรื่นเรื่นแล้วก็ใค่รู้ทันบางหญิงให้ได้แต่วันนี้จงใจเปลนไ ป, น, ป น, นิดหนึ่งรู้สึกไหม แข่งไปนิดหนึ่งกีฬาใช้ได้แล้วไปนิดกีฬมีโมหะแทรกนิดหนึ่งไม่เป็นไร น, นั่งเงยยิ้มเดี๋ยวก่อนหลวงพ่อกระโดดเป็นหนึ่งคนที่ทำอยู่ชยใช้ได้แล้วตกไปที่ใช่ไหนต้องรีบบอกไ้ก่อนหรือจะเกร ง, งพังไปเลยเเพื่อนบงคนมาใกล้ทข้าที่ทำอยู่ชยใช้ได้แล้วน ะ, ะยิ้ม <c ười> งานมากนะไม่ใช่ขอ อ, ออ้างแต่ก็มี่วงน้นช่วในึงที่ไชวนี้ถูกบ้าเ่งนมตวอ่ะเออหีขยันดูนนะนี่ไหนที่ดงเข้าวเคยเล่าว่าขับรถไปชนรถที่จอดอยู่ห้าคันซ้อนอ่ะสักว่ารู้สักว่าเห็น อภมเกิเเไหนอยเออดีแ ล, ล้วล่ะนะศึกษาไปนะธรรมะความทุมมกข์มันมาถึงเราเมื่อไหร่ไม่รู้หรอกต้องตั้งหลักให้พันออมีธรร ม, มนะคเวลามีปัญหาชีวิตขึ้นมามันช่วยเร า, ม, า ม, มีอะไรนะมีทีเออมีที่ ก็คนในโลกนะเวลามีความทุกข์ขึ้นมาก็เที่ยวหาที่พึ่งแบบหน้าสงสารไปหาไสายศาสตร์ไปหาหมอดูหาพระพลอมเข้าตรงบ้างไปกินเหล้าบ้างหาความตุกแบบหนีความทุกข์แบบทุรนทุรายไปจับทุกข์กับคนอื่นบ้่งไปไปเกี่ยวกลาดใส่คนที่รู้สึกว่าปลอดภัยบ้างอย่างบางทีเราไปเครียดเราจัดนอกบ้าน กลับมาในบ้านแล้วมาระบายใส่คนที่บ้านรู้สึกมันปลอดภัยเมพวกพวกขนขยะเข้าบ้านแต่ถ้าเรามีธรรมะเป็นที่พึ่งพุทธเจ้าสอนมีบทธรรมะอยู่บทบอกคนทั้งหลายเนมะื่อความทุกข์เข้าถึงตัวเนี่ยก็ไปไหว้ปู่ขาวบ้างจอมปลวกบ้างต้นไม้บ้างไหว้อารามไหว้รูปพระเจดีย์บอกว่านั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันประเสริฐเลย แต่คนใดมีพระพุทธธรรมพรสงฆ์เป็นสระนะอย่าี้ฟังให้ดีนะมีพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นสระะแล้วก็รู้แจ้งแนอริยสัจนั่นจะพ้นจากทุกทั้งปวงนี่เป็นที่พึ่งที่ปลอดภัยที่เกษมเป็นที่พึ่งจริงๆปลอดภัยจริงๆอยู่ตรงที่รู้อริยสัจการที่เรามีพระรัตนตรัยเป็นสรณะก็ทําให้เรามีโอกาสได้เรียนรู้อริยสัจ ตัวสำคัญมากเลยคือได้เรียนรู already, ้อริยสัจมันคนจับทุกขังปวงมันใดเรารู้แจ้งแห่งตลอดอริยสัจแล้วจะรู้เลยว่าบายบายแล้วความทุกข์นะไม่มาแล้วตันตันอยู่นะคะอะไรก็ตามทุกทุกเรื่องเลยนะคนากคว่งม่ใล้ความทุกข์ทางกายมาจากความคิด มันไม่ได้มีอะไคิดเราเองคิด เ, เองมันว่นาหาความทุกข์มาใส่ตัวเองนะคนอื่นสร้างปัญหาให้เราได้เร้วก็ทุกข์เร า, เ อ, าเองสร้างเบอร์แปดเบอร์แปดขยันดีลที่คี่ก็รู้นะครับที่หมอก็่วยเราไปนั้งซินเออนั่นแหละเรต้องรีบบอกเลยเดี๋ยวเด็กเสียดจับขิ้งเอับ ดีแล้วทาถูกแล้วนะเมื่สี really ่สิแดเไม่ธมยคือในการที่เราจะ็นสิ่ขเรามีมสามารถหรือนนร่กาพยักแว่าาของคนรอบข้างเขาจะดด้วยเขาบนี้เราเป็ส่งของจะทำสัมพันก็ไปง่ายหรือจัตัวาลวงอย่นี้ที่เราสามารถมี่งของได้แทคามดเราสามารถ ทั้งพวกมันแรกที่ต้องอยู่ให้ได้นะคื่บ้านเราเองตนะ้องอยู่ในบ้านให้ได้ค่อนเพราะฉ้นภาวนาไปนะให้จิตใจมันมีความสุขมีความสงบให้มันมีพัฒนาการที่ดีให้คนรอบๆตัวเห็นเขาจะรู้สึกว่าความสุขมันยังมีอีกชนิดหนึ่งที่เขาไม่เคยเรียนรู้เขาเคยแต่หาความสุขจากความฟุ้งเฟอจากการบริโภคเพฉะนั้นเราทําตัวอย่างให้เขาเห็นนะในบ้านเราก่อนนะ ถ้าในบ้านเราเราภาวนาให้ดีๆความร่มเย็นมันแผ่ไปจากจิตใจของเราคนรอบๆตัวเรามันจะร่มเย็นเขาจะเริ่มรู้สึกว่าการปฏิบัติธรรมนี้มีประโยชน์จริงๆไม่ได้มีแต่พูดนะถ้าเราเห็นว่าคนอื่นฟุ้งเฟ้อเราก็ไปบอกเขาไม่ดีไนดะ้อย่างนี้นเขาไม่เชื่อเราเขาโมโหนะไม่ได้มีอะไรดีกับเขาเลยคือตัวเองก็ได้แต่พูด เราธรรมะมาสู่ใจเราไปคนแรกที่ต้องช่วยตัวเองเหมือนผู้เจ้าเที่ยวกับเหมือนสะเก็ดไฟตกใส่ศรรรีรษะแล้วคนต้องปัดของตัวเองก่อนแล้วถึงจะช่วยคนอื่นได้เงันเรียนธรรมะนะศึกษาจิตใจจิตใจมีความสงบ ม, มีความร่มเย็นคนรอบๆตัวมันจะรู้สึกแต่เดินไม่เคยร้อนมันเปลี่ยนร่มเย็นเขาจะอาจจะสนใจว่าเอ๊ะไปทําอะไรมา มีคนหลายคนนะจำนวนมากเลยที่มาเรียนที่หลวงพ่อบางทีก็สามีมาเรียนคนเดียวภรรยามาเรียนคนเดียวบางคนหนีสามีมานะสามีรู้ว่าหนีเข้าวัดแล้วก็เกิดซ้อมเมาแต่ว่ามหัดดูจิตดูใจหัดเจริญสติความร่มเย็นดูเกิดขึ้นหลายคู่เลยที่สามีภรรยาเกิดสองสัยว่าผัวเราหรือเมียเรามันไปทำอะไรมาทำไมมันเหมือนเป็นได้สามีภรรยาใหม่นะ มันดูสวยกว่าเก่านะฝ่ายหญิงก็ดูสวยกว่าเก่าดูสาวกว่าเก่าดูน่ารักกว่าเก่าเปลี่ยนจากยายแรงขึ้นเป็นยายผอมใสใ ย, ยปากมา้า <c oughs> เป็นใ ย, ยปากมีวาจาที่ดีเปลี่ยนก็นสงสัยตามมาดูนะเสร็จแล้วมาเข้าวัดทั้งครอบครัวเลยถ้าครอบครัวไหนทำได้อย่างนี้นะมีความสุขเสร็จแล้วหลวข้อก็ใช้วิธีนี้นะ อยู่ในที่ทํางานเนี่คนมันเริ่มเห็นว่าเราไม่เหมือนเขาทําไมเราเดินไปไหนเราก็ดูมีความสุขทั้งวันเลยเมื่อก่อนหลวงพ่อทํางานอยู่ในสำเนียงรัฐบาลนะมีชื่อเสียงมากเลยเรื่องเดินแล้วก็ดูยิ้มกับสายลมแสงแดดยิ้มได้ทั้งวันทั้งที่เราไม่ได้ยิ้มนะคนอื่นมันรู้สึกว่าเหมือนเรายิ้มอยู่ได้ทั้งวันนะมีความสุขคนไหนที่มันสนใจก็มาถามว่าทํายังไงมีความสุขอย่างนี้ได้มันค่อยๆแผ่ออกไป อย่างตอนนี้คนที่มาเรียนที่ที่ก็เยอะขึ้นนะแล้วขึ้นถามว่ามาทำไมรู้สึกมีความสุขค่อยๆเรียนไปนะตัวเองก็มีความสุขอยู่ในหมู่ผู้ปฏิบัติด้วยกันนะมีหมู่เพื่อนมันก็มีความสุขค่อยๆไอย่าคาดหวังว่าสังคมใหญ่จะต้องดีเลยมรันจคุา้่่ารองมนเปยาง มันอยู่ที่ศิละปะอันนี้เป็นศิละปะตอนหลวงพ่อรับราชการใหม่ๆแล้วเราตือนตืห้าไม่กินเหล้าเห็นสัเกตไหมพวกกินเลี้ยงชอบกินเหล้าเราเด็กกว่าเขานะไปนั่งในโต๊ะทั้งมันผู้ใหญ่ในกินเหล้าหมดเลยที่เราไม่กินอยคนเดียวดูแปลกแยก่แต่แย่เราทําตัวให้ตรงมเครือเขากินเหล้าเรากินกลับเรากินเหล้าเรากินโค้กเสร็จแล้ว วันหลังนั้นหนกพ่อเคชนแก้วชนะพวกที่เมามาลแล้มเราอาสานะผสมเหล้าให้เขาเขาจะได้มันมาเกฑียดเรากินเหล้าให้เขากินเปลิ่นๆกัยังไงมันก็กินมันอยู่แล้วล่ะแล้วก็ใส่โซดาของเรานะใส่น้ำแข็งใส่โซดาอหยาะโฟล์กลงไปนิแต่เหมือนวิสกี้เพียบเเราก็ถือของเรามานะเขามาถือเอาไปให้เขานะมันก็ชวนเออชวนแก้วชนแก้วชวนก็ชวนถือมา S <S <S จนกับหลวงพ่อกลิ้งไปหลายคนนะแต่พอเราคนรู้ว่าเราไม่กินเหล้าพอเราค่อยๆโตขึ้นนะต่อไปคนที่มานั่งโตเหล้าไม่มีใครกล้ากนะินเหล้าเลใช้เวลานะเปลี่ยนแปลงตัวเองต้องใช้เวลาเปลี่ยนคนอื่นนี้ใช้เวลาหนักอีกงั้นเปลี่ยนตัวเองก่อนนะจิตใจของคุณมันมุ่งออกไปข้างนอกเยอะไปเรากลับข้างมาเรียนรู้ตัวเองก่อน ช่วยคนอื่นกีหลังเราจะช่วยคนอได้ไหม่นั้นเราต้องช่วยตัวเองเป็นก่อนถ้าใจเรายังกระสับกระสา่ายเราร้อนวุ่นวายเราช่วยตัวเองไม่ได้เลยเหมือนเห็นคนตกน้ําอยากช่วยนะเราไว้น้ําไม่เป็นช่วยไม่ได้นะช่วไม่ได้ต้องหัดช่วยตัวเองก่อนอเหลือสองนาทีจิตตรงตั้งมีโมหันนิดนึงเรียนนะเชิญไปทาน